ความสุขของพุทธศาสนิกชนพระพุทธเจ้าได้ทรงแยกไว้เป็นสองแบบสองระดับด้วยกันคือระดับของผู้ครองเรือนและระดับของนักบวชซึ่งเป็นความสุขคนละแบบกันมีเหตุที่ทำให้เกิดความสุข ต่างกันเหตุที่ทำให้เกิดความสุขของผู้คองเรือนนั้นมีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือหนึ่งการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์สองการได้ใช้ทรัพย์สามการไม่มีหนี้สินและสี่ การกระทาที่ไม่เป็นโทษนี่คือเหตุสี่ประการของความสุขของคารวาดผู้ครองเรือนส่วนความสุขของนัก บ, บวชบรรพชิตมีอยู่สามก็คือศีลสมาธิและปัญญาเป็นความสุขคนละแบบกัน เหมาะสมกับฐานะของแต่ละประเภทผู้คองเรือนนั้นเหมาะสมกับการมีความสุขแบบผู้คองเรือนส่วนบรรพชิตนัก บ, บวชนั้นก็เหมาะสมกับความสุขในรูปแบบของบรรพชิต ความสุขของผู้คองเรือนนั้นเหตุที่หนึ่งก็คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์ทรัพย์ก็คือเงินทองนี่เองเวลาเราได้เงินทองหรือเรามีเงินทองเราก็จะมีความสุขกัน อันนี้เป็นเหตุของความสุขข้อที่หนึ่งของผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนจำเป็นจะต้องมีเงินทองกันถึงจะมีความสุขได้จึงจำเป็นที่จะต้องไปทำงานทำการเพื่อหาเงินหาทองมาให้ความสุขการมีเงินทอง หรือการได้เงินทองนี้ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันการได้เงินทองหรือมีเงินทองที่เกิดจากการได้ทําบุญทำทานไว้ในอดีตตชาติก็ทําให้เวลาที่มาเกิดในโลกนี้ได้มาเกิดในครอบครัว ที่มีฐานะมั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งสำหรับการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์คือการได้ทำบุญทำทานมาในอดีตคนเรามาเกิดจึงมีฐานะร่ำรวยยากจนต่างกันก็เพราะว่า ได้ทําบุญทําทานในอดีตมาต่างกันนั่นเองผู้ที่ได้ทําบุญทําทานมามากก็จะได้มาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยส่วนผู้ที่ไม่ได้ทําบุญทําทานมากก็จะมาเกิดในครอบครัวที่ไม่ร่ํารวยอันนี้คือเหตุอย่างหนึ่งของการที่ ได้ได้ทรัพย์มาหรือมีทัพย์กันส่วนเหตุที่สองที่จะทำให้เกิดทรัพย์ขึ้นมาได้ก็คือการแสวงหาในการทำมาหากินด้วยอาชีพต่างๆนั่นเองถ้าเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยแต่เราก็ยังสามารถที่จะหาทรัพย์กันได้ ถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในการหาเงินหาทองถ้ามีความรู้ความฉลาดมีความขยันหมั่นเพียรการมีทรัพยห์หรือการได้ทรัพย์ก็ยังสามารถ ปรากฏขึ้นมาได้ทำให้เรามีความสุขได้จากการมีทรัพย์หรือจากการได้ทรัพย์มาอันนี้เป็นเหตุของความสุขของผู้ครองเรือนข้อที่หนึ่งคือการได้ทรัพย์หรือของการมีทรัพย์เหตุของการมีความสุขของผู้ครองเรือน ข้อที่สองก็คือการได้ใช้ทรัพย์เมื่อมีทรัพย์แล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ทรัพย์มันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นถ้าเราอยากจะมีความสุขมากขึ้นจากการที่เรามีทรัพย์เราก็ต้องใช้ทรัพย์กันการใช้ทรัพย์นี้ก็มีการใช้ทรัพย์อยู่ได้สอง สามแบบด้วยกันใช้ทัพย์ที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสุขเพิ่มมากขึ้นและใช้ทรัพย์ที่ทำให้ความสุขน้อยลงความทุกข์มากขึ้นการใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นก็คือการใช้ทรัพย์กับสิ่งที่จำเป็นเช่นการเลี้ยงดูร่างกายของเรา จำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคถ้าเรามีทรัพย์แล้วเราไม่เอามาใช้เราเสียดายเก็บไว้เราอยู่แบบอดอยากขาดแคลนความสุขก็จะไม่เกิดจากการที่เรามีทรัพย์ ถ้าเรามีทรัพย์แล้วเราก็ต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขกับเราโดยการใช้กับสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพคือการมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์เพราะร่างกายของเราจะอยู่อย่างสุขหรืออย่างทุกข์ก็อยู่ที่ว่าเรามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์หรือไม่ถ้าเรามีที่อยู่อาศัย มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคไว้ดูแลเลี้ยงดูร่างกายของเราร่างกายของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขอันนี้คือการใช้ทรัพย์เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาใช้กับสิ่งที่จำเป็น ถ้าเรายังมีเงินเหลืออยู่จากการใช้ปัจจัยสี่ซื้อปัจจัยสี่ถ้าเราอยากจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเราก็เอาไปทำบุญทาทานอันนี้ก็เป็นวิธีเพิ่มความสุขเพิ่มขึ้นคือเพิ่มความสุขที่ใจความสุขทางร่างกายเราได้เต็มที่แล้วจากปัจจัยสี่ แต่ถ้าเราอยากจะมีความสุขมากกว่านั้นเราก็ยังสามารถใช้ไปกับการทำบุญทาทานได้การทำบุญทาทานก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจเวลาที่เราได้สงเคราะห์ได้ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอเห็นเขามีความสุข มันก็ทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการใช้เงินที่จะทำให้เรามีความสุขการใช้เงินอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็คือการเก็บไว้รักษาไว้เพื่อวันข้างหน้าเผื่อเวลาที่เรามีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ ที่จะหาทรัพย์หาเงินทองได้จ น, นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากถ้าเรามีเงินเก็บสำรองไว้เงินสำรองนี้ก็จะมาช่วยเราช่วยลดความทุกข์ยากลาบากลงไปหรือหมดไปได้ถ้าเราไม่ได้เก็บไว้เลย เวลาที่เราสิ้นเนื้อประดาตัวหรือตกทุกข์ได้ยากเราก็จะไม่มีอะไรมาช่วยเราให้เรามีความสุขนี่คือวิธีใช้เงินอย่างมีประโยชน์มีความสุขโดยใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นใช้กับปัจจัยสี่แล้วก็ถ้ายังมีเหลือก็ เอาไปทำบุญทำบุญก็จะทำให้เรามีความสุขใจและยังเป็นการสร้างฐ า, านะภาพในอนาคตต่อไปเพราะถ้าเราได้ทำบุญเ ว, เวลาที่เราตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เราก็จะได้กลับมาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดี เพราะเหตุที่เราได้ทำบุญกันไว้ในชาตินี้อันนี้เป็นการทำเพื่ออนาคตและปัจจุบันทำแล้วใจก็มีความสุขและอนาคตเวลายังเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่เราก็ยังจะมีทรัพย์ให้เราได้เอาไปใช้ต่ออีกแล้วก็เงินที่เราเก็บไว้สำรองก็เป็นประโยชน์เพราะ เวลาที่เราเดือดร้อนขาดแคลนเงินทองเราก็สามารถเอาเงินที่เราเก็บสะสมไว้นี้เอามาใช้ได้นี่คือการใช้เงินใช้ทรัพย์เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาการใช้ทรัพย์ที่เราไม่ควรใช้ที่จะทำให้เกิดโทษกับเราถึงแม้ว่าเราจะได้ความสุขแต่มันเป็นความสุขที่มีโทษตามมา นั่นก็คือการใช้ทรัพย์กับกับการเสพอบายมุกต่างๆหรือการใช้ทรัพย์กับของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จําเป็นต่างๆที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีก็ไม่ควรที่จะใช้ทรัพย์แบบนั้นเช่นไม่ควรใช้ทรัพย์ไปกับการดื่มสุรายาเมา ไม่ควรใช้ทรัพย์ไปกับการเล่นการพนันไม่ควรใช้ทรัพย์กับการไปเที่ยวกลางคืนไปดูการละเล่นต่างๆดูมหัศศพดูบันเทิงต่างๆหรือการที่เราไปซื้อของไม่จําเป็นต่างๆอันนี้เป็นการดูดทรัพย์ทําลายทรัพย์ของเราให้หมดไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าการใช้ซับแบบนี้มันจะไม่มีขอบไม่มีเขตมันจะทําให้เกิดความติดพันมีความอยากที่จะใช้ไปเรื่อยๆเพราะเวลาที่ไม่ได้ใช้ซับแบบนี้แล้วจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดถ้าได้เสพยาเสพติดแล้วมันจะติด ต้องเสพไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้เสพแล้วก็จะทำให้มีความหลดเหย็ดนำคาญใจไม่สบายใจก็ต้องเสพไปเรื่อยๆเมื่อเสพทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีอยู่มันก็จะหมดไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วดังนั้นจึงไม่ควรเสพพวกอบา ย, ยามุกต่างๆ พาไม่ได้เป็นการสร้างความสุขอาจจะเป็นการสร้างความทุกข์เดื่มสุ拉ถ้าเดื่มมากๆก็จะเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งสุขภาพทางร่างกายและเสียสุขภาพทางจิตใจเวลาเดื่มสุาแล้วก็จะกาดอาการมึนเมาก็จะไม่สามารถควบคุมสติ ก็จะอาจจะทําให้ไปทำํำสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นโทษกับตนเองและกับผู้อื่นได้เช่นเดียวกับการเล่นการพนันถ้าเล่นการพนันแบบเป็นติดเป็นนิ ส, สัยก็จะต้องเสียเงินเสียทองไปเพราะเวลาเล่นแล้วเวลาได้ก็อยากจะได้อีกก็จะไม่หยุดเล่น พอเล่นต่อไปก็จะเสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็จะเล่นต่อเล่นไปก็จะมีแต่จะหมดไปเรื่อยๆคนที่เล่นการพนันนี้บางทีพอเสียแล้วก็ต้องขายทรัพย์สมบัติเ้าของเงินทองมาเล่นต่อพอขายทรัพย์สมบัติหมดแล้วบางทีก็ต้องขายบ้านขายที่ดิน เพราะยังอยากจะเล่นยังอยากจะได้คืนอยู่การเล่นการมาน้นจึงเป็นการทำลายเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขนี่คือการใช้เงินทองที่ไม่ไม่เกิดสุขถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์มีโทษตามมา แล้วถ้าเราใช้เงินมากมากมากกว่าที่เราสามารถที่จะหามาได้มันก็จะทำให้เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็จะทำให้เรามีหนี้สินการมีหนี้สินนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขจะทำให้เรามีความทุกข์จะทำให้เราไม่สามารถมีสร้างเหตุ ที่จะทำให้เรามีความสุขข้อที่สามได้เหตุของการมีความสุขข้อที่สามก็คือการไม่มีหนี้สินนั่นเองถ้ามีหนี้สินแล้วใจเราจะไม่สบายใจเพราะจะต้องคอยกังวลกับการหาเงินหาทองมาใช้หนี้สินเพราะถ้าไม่ได้ใช้ก็อาจจะต้องถูกลงโทษ เช่นอาจจะถูกประกาศล้มละลายเป็นบุคคลล้มละลายไปหรือถ้ามากก็อาจจะถูกไปติดคุกติดตารางก็ได้อันนี้ก็เป็นความทุกขนะ์ถ้าไม่มีนิสัยก็จะไม่มีความทุกขนะ์เมื่อไม่มีความทุกข์ก็จะมีความสุข น, ะนี่คือความทุกข์ความสุขข้อที่สาม คือการไม่มีนี่สินความสุขข้ อ, ขอที่สี่ของผู้ครองเรือนก็คือการกระทำที่ไม่เป็นโทษไม่เกิดโทษการกระทำที่ไม่เกิดโทษก็คือการไม่ทำบาปนั่นเองเพราะการกระทำบาปนี้จะเกิดโทษตามมาต่อผู้กระทำและต่อผู้ถูกกระทำการฆ่าสัตว์ ต, ตัดชีวิตฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดโดโกโหกหลอกลวงการดื่มสุรายาเมาอันนี้เป็นการกระทำที่เกิดโทษถ้าเราไม่อยากจะมีโทษไม่อยากจะมีทุกข์เราก็ต้องไม่กระทำการกระทำที่เกิดโทษเราก็ต้องพยายามรักษาสีลห้ากันให้ได้ ถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะปลอดภัยจากโทษจากความทุกข์ที่จะตามมาจากการกระทำบาป ก, การไม่รักษาศีล น, นี่คือวิธีหาความสุขของผู้ครองเรือนพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณ า, าได้ทรงแสดงสอนไว้ว่าคือมีเหตุอยู่สี่ข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งก็คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาข้อที่สองก็คือการใช้ทรัพย์ข้อที่สีข้อที่สามคือการไม่มีหนี้สินและข้อที่หาการกระทาที่ไม่เกิดโทษเราต้องเคารพศีเลเคารพกฎหมายไม่ทําบาปไม่ทําผิดกฎหมายแล้วความทุก ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นตามมาจากการกระทำเหล่านี้นี่คือความสุขของผู้ครองเรือนถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่าระดับของผู้ครองเรือนก็ต้องขยับขึ้นไปสู่การหาความสุขระดับของนักบวชซึ่งผู้ครองเรือนก็สามารถขยับได้ในระยะเริ่มต้นก็ ขยาบขึ้นไปแบบทดลองก่อนเช่นวันพระก็ลองมาถือศีลแปดดูความสุขของนักบวชนี้เป็นความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการฝึกสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญา ถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจก็จะมีความสุขได้ดังนั้นถ้าเป็นผู้ครองเรือนแล้วเห็นว่าความสุขที่ได้จากการมีเงินทองการใช้เงินทองการไม่มีหนี้สินการการไม่มีการกระทําที่เกิดโทษยังไม่เพียงพอเพราะว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขก็ยังเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเงินทองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่อาจจะหมดได้มาได้ก็อาจจะหมดได้หรือมาแล้วอาจจะไม่มาก็ได้ถ้ายังมีความกังวลอยู่กับการมีความสุขที่ต้องพึ่งเงินทองอยู่ ก็อาจจะอยากจะหาความสุขแบบที่ไม่ต้องพึ่งเงินทองก็สามารถหันมาหาความสุขแบบนักบวชได้ความสุขแบบนักบวชนี้ไม่ต้องใช้เงินทองแต่ต้องใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาเพื่อที่จะทำให้ใจสงบถ้าใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขได้ โดยที่ไม่ต้องมีเงินทองดังนั้นผู้ที่ยังเป็นผู้คองเรือนอยู่แล้วอยากจะขยับขึ้นสู่ความสุขระดับของนักบวช<ๆ>ก็จะเริ่มทำกันในวันพระกันเป็นการทดลองทำอาทิตย์ละครั้งไปก่อนดูว่ามีกำลังพอที่จะทำได้ไหมถ้าจะทำทีเดียว แบบเต็มรูปแบบนั้นก็อาจจะยากเหมือนกับคนที่ไม่เคยวิ่งมาราธอนแล้วอยู่ดีๆก็จะให้ไปวิ่งเลยนี้ย่อมไม่สามารถวิ่งได้แต่ถ้าลองฝึกวิ่งทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนเริ่มต้นจากการวิ่งวันละ1กิโลครั้งละ1กิโลไปเป็นสองกิโลไปเป็น3ามกิโล เพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปก็จะสามารถวิ่งมาราธอนได้ทันใดการที่จะมารักษาศีลมาเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้นั้นก็จําเป็นต้องทำจากน้อยไปหามากก่อนจะทำแบบทันทีทันใดแบบพรวดพราดก็อาจจะเกินกำลังความสามารถได้ ยกเว้นบุคคลบางคนที่มีความสามารถพร้อมอยู่แล้วพอได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่ามีวิธีหาความสุขที่ดีกว่าความสุขแบบของคารวะก็ลองไปปฏิบัติ ด, ดูพอลองปฏิบัติ ด, ดูก็เห็นว่าสามารถทําได้อย่างง่ายดายก็แสดงว่ามีบุญเก่ามีบารมีเก่า ได้บําเพ็ญศีงได้บําเพ็ญสมาธิได้บําเพา็ญปัญญามาในอดีตชาติบุคคลนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลกรณีพิเศษก็อาจจะสามารถเปลี่ยนจากการเป็นผู้คองเรือนไปเป็นนักบวชได้เลยแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องมาหัดหัดปฏิบัติแบบนักบวชกัน โดยเอาวันหยุดทำงานซึ่งในสมัยก่อนวันหยุดทำงานก็ตรงกับวันพระวันพระจึงเป็นวันที่ชาวพุทธเราผู้คองเรือนจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากการใช้ทรัพย์จากการมีทรัพย์นี้ไปสู่การหาความสุขจากการรักษาศีลศีลนี้ก็จะรักษาเป็นศีลแปดกัน เพราะปกติก็รักษาศีลห้าอยู่แล้วผู้คองเรือนี้จะมีการกระทาที่ไม่เกิดโทษก็คือการไม่กระทำบาปการไม่กระทำบาปห้าข้อพอในวันหยุดทำงานมีเวลาว่างสามารถที่จะเพิ่มการรักษาศีลจากห้าข้อเป็นแปดข้อได้การถือศีลแปดนี้ก็เพื่อที่จะได้ ตัดกิจกรรมทางต่างทางทา ง, ทางร่างกายกิจกรรมที่จะใช้ในการหาความสุขแบบคาระวะแล้วเพื่อที่จะได้เอาเวลามาทากิจกรรมที่จะสร้างความสุขทางจิตใจก็คือการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาถ้าไม่ถือศีลแปดก็จะไม่มีเวลา ก็จะเอาเวลาไปใช้กับกิจกรรมหาความสุขทางร่างกายถ้าถือศีลแปดก็จะไม่สามารถไปทำได้เช่นศีลข้อสถ้าถือศีลห้าก็ยังสามารถร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้หาความสุขแบบคู่ครองเรือนได้แต่ถ้าถือศีลแปดก็จะต้องงดเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตน หรือร่วมหลับนอนกับทุกคนไม่ร่วมหลับนอนกับใครเพื่อจะได้เอาเวลาที่ร่วมหลับนอนนี้มาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาแทนนั่นเองนอกจากนั้นก็จะระงับการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะการรับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่จําเป็นจะต้องรับประทาน มือเย็นหรือคำ่ำรับประทานเพียงเที่ยงวันนี้ก็พอเพียงต่อการเวยงดูร่างกายและจะทําให้ร่างกายไม่ง่วงเหงาหานอนถ้ารับประทานมากเวลาที่จะมาฝึกสมาธิเวลาที่จะมาเดินจงกรมก็จะไม่อยากจะเดินเพราะอยากจะนอนมากกว่าเวลา ได้รับประทานอาหารอิ่มหนำสำราญแล้วหนังท้องก็ตึงหนังตาก็จะหย่อนะนังสมาธิก็จะสับปะงอกเดินจงกรมก็เดินไม่ไหวแต่ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารมือเย็นรับประทานเพียงครึ่งวันพอตอนบ่ายๆก็ร่างกายก็จะไม่ง่วงนอนให้เดินจงกรมก็เดินได้อย่างสบาย ไอ้นั่งสมาธิก็ไม่สบงบแล้วก็จะมีเวลาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมากังวลกับอาหารมื้อเย็นอีกมื้อหนึ่งถ้ายังรับประทานอาหารมื้อเย็นอยู่กว่าจะรับประทานเสร็จก็ค่ามืดค่าแล้วพอจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เดินไม่ไหวเพราะมีความอิ่มมีความง่วงนอนขึ้นมา ดังผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขแบบนักบวชก็จําเป็นที่จะต้องอไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่จะได้บ้องกันไม่ให้ร่างกายนี้ง่วงเหงาหงานอนและจะทําให้มีเวลามาฝึกสมาธิฝึกปัญญากันนั่นเองอแเราก็ต้องละกิจกรรมทางมหรสศบันเทิงต่างๆะ จะยังออกไปหาความสุขจากการดูมหัศจรสยบันเทิงหรือจากการเสริมความงามของร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวก็จะเสียเวลาหมดเวลาไปกับกิจกรรมเหล่านี้เวลาที่จะเอามาฝึกหัดสติฝึกขัดสมาธิฝึกหัดปัญญาก็จะไม่มีถ้าไปเที่ยวกลับมาบ้างก็กลับมาด็ด กลับมาเดึกก็จะไม่มีกำลังที่จะนั่งสมาธินั่งก็จะหลับจะง่วงก็จะไม่สามารถที่จะมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อทาใจให้สงบได้ผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขที่ดีกว่าความสุขของผู้ครองเรือนคือหาความสุขแบบนักบวช ก็จำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดกันเมือ่อถือศีลแปดแล้วก็จะมีเวลามีสมรรถภาพที่จะมาฝึกสมาธิมาฝึกปัญญาเพราะการฝึกสมาธิการฝึกปัญญานี้จำเป็นจะต้องมีเวลา ม, มากๆหลายๆชั่วโมงด้วยกันถ้าถือศีลแปด น, นี้หลังจากรับประทานอาหาร เที่ยงวันแล้วก็จะไม่มีกิจกรรมทางร่างกายให้มากังวลอีกต่อไปก็จะมีเวลาที่จะมาทำกิจกรรมทางจิตใจคือมาเจริญสติด้วยการเดินโยงกลมด้วยการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบและจะมีเวลาที่จะได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมา ที่จะมาใช้ในการรักษาใจให้มีความสุขให้มีความสงบนี่คือการหาความสุขของนักบวชต้องหาจากการรักษาศีลรักษาศีลเจริญสมาธิและเจริญปัญญาสำหรับผู้คองเรือนก็ถือศีลแปดในวันหยุดทำงาน สมัยนี้ถ้าวันหยุดทำงานไม่ตรงกับวันพระก็ควรถือวันหยุดทางานเป็นวันพระแทนเพราะสมัยโบราณการที่มีวันพระก็คือเป็นวันหยุดนั่นเองเป็นวันหยุดที่จะได้มีเวลาว่างไปอยู่วัดไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าไปอยู่ในที่สงบเช่นไปอยู่วัดที่สงบนี้ จะดีกว่าอยู่ที่บ้านเพราะที่บ้านนี้จะมีเรื่องราวต่างๆที่อาจจะมาะก่อกวนความสงบได้ผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขแบบนักบวชก็ต้องหาสถานที่สงบสงัดวิเวกเช่นไปอยู่ตามวัดที่มีการปฏิบัติธรรม จะเป็นวัดที่มีความสงบสงบัดยาทาให้การเจริญศีนสมาธิเป็นไปได้อย่างง่าได้กว่าการที่อยู่ที่ไม่สงบเช่น อ, อยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านนี่เราถือศีลแปดแต่คนอื่นเขาไม่ได้ถือศีลแปดเขาก็จะมาลบกวนใจเราได้ เวลาเย็นเขารับประทานอาหารบางทีเขาก็จะมาชวนเรารับประทานด้วยพอเขามาชวนมันก็จะทำให้ใจเราหวั่นไหวได้เพราะปกติเราก็เคยรับประทานพออยู่ๆจะมาหยุดรับประทานนี้ก็ต้องใช้ความเข้มแข็งบังคับใจแล้วถ้ามีคนมายั่วยวนมาชวนให้ไปรับประทานอาจจะหมดกำลังต่อต้านก็อาจจะไม่สามารถ นักษาศีลแปดได้แต่ถ้าไปอยู่วัดไปอยู่ที่ห่างไกลจากผู้ที่ไม่ได้ถือศีลแปดอยู่ที่วัดก็จะมีแต่ผู้ที่ถือศีลแปดกันก็จะไม่มีใครมากวนใจกันไม่มีใครมาทําให้เราจะต้องอเสียศีลแปดไปฉะั้นการที่จะหาความสุขแบบนักบวชจึงจําเป็นที่จะต้องไปหา อยู่ที่สงบสงัดที่วิเวกอยู่กับผู้ที่มีศีลเหมือนกันอยู่ที่ผู้ที่ปฏิบัติเหมือนกันถึงจะได้ไม่รบกวนกันนี่คือวิธีที่จะหาความสุขเพิ่มเติมจากความสุขแบบค า, ารวะของแบบผู้คลองเรือนกความสุขแบบผู้คองเรือนนี่ก็ ขึ้นอยู่กับเงินทองที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่เราจะใช้ซื้อมาเช่นรูปเสียงกลิ่นรตต่างๆแต่มันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่มีวันเสื่อมมีวันหมดได้เพราะว่าร่างกายที่เราใช้ในการหาความสุขมันก็จะต้องมีวันเสื่อมร่างกายก็จะต้อง แก่ชะลาลงไปเรื่อยๆความสามารถที่จะใช้ร่างกายหาความสุขก็จะลดน้อยลงไปตามลาดับหรือบางเวลาถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบคารวาดได้แต่ถ้ามาหาความสุขแบบนักบวชนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข เครื่องมือหาความสุขของนักบวชก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังสามารถมีความสุขได้ร่างกายจะแก่ชราก็ยังสามารถมีความสุขได้ <Yeah. S 2> เพราะศีลสมาธิปัญญานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายไม่ได้เสื่อมไปกับร่างกาย yeah. สินสมาทิปัญญานี้อยู่ที่ใจที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเป็นความสุขที่สามารถเอาติดตัวไปกับใจได้แต่ความสุขแบบผู้ครองเรือนี้ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ถึงแม้เวลาตายไปยังจะมีเงินทองอยู่มากมายก็ไม่สามารถเอาเงินทองติดตัวไปได้ถ้าไม่มี วิธีถ้าไม่รู้วิธีหาความสุขแบบไม่ใช้เงินทองแบบไม่ใช้ร่างกายเวลาไปก็จะไปแบบไม่มีความสุขเพราะว่าไม่ไม่มีความสุขที่จะสามารถเอาติดตัวไปได้นั่นเองแต่ผู้ที่สามารถหาความสุขจากศีลสมาธิปัญญาได้เวลาร่างกายตายไป ก็ยังสามารถเอาความสุขที่หาจากศีลสมาธิปัญญาไปได้แล้วถ้าเป็นความสุขที่ครบถ้วนบริบูรณ์เต็มร้อยความสุขแบบพระพุทธเจ้าความสุขแบบพระอาหารหันตสาวก็จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายเพื่อมาหาความสุขใหม่อีกต่อไปจะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมดนี่คื อ, อคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่หาความสุขแบบนักบวชกันจึงเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่คลองเรือนถ้าหลังจากได้มาฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเกิดความยินดีที่อยากจะหาความสุขแบบนักบวชกัน เพราะเห็นว่าการหาความสุขแบบผู้ครองเรือนี้เป็นความสุขที่ชั่วคราวที่จะต้องหมดไปกับสภาพของร่างกายหรือหมดไปกับสถานะการเงินการทองซึ่งเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนไม่เหมือนกับความสุขที่จะได้รับจากการเจริญศีลสมาธิปัญญาก็จะมีการ ไปวัดกันในวันพระในวันหยุดทํางานเพื่อที่จะได้ไปรักษาศีลแปดแล้วก็ไปฝึกสมาธิไปเจริญปัญญา<ม>การฝึกสมาธินี้ก็ต้องใช้สติเป็นหลักใจจะสงบเป็นสมาธิคําว่าสมาธิก็คือนิ่งสงบนั่นเองความนิ่งสงบของใจเรียกว่าสมาธิใจจะนิ่งสงบได้ก็ต้องมีสติหยุด ความคิดต่างๆหยุดอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆก็เกิดจากความคิดนั่นเองเวลาเราคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างเกิดจากการที่เราคิดหรือจากการที่เราไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เราก็ต้อง สำรวมตาหูจมูกนิ้นกายเราก็ต้องไปหาที่ที่รูปเสียงกลิ่นรสนั้นไม่มีอารมณ์เช่นไปอยู่ตามวัดไปอยู่ตามป่าตามเขานี้แบบที่นักบวชก็ชอบบาเพ็ญกันนั้นเป็นสถานที่ที่จะทำให้ไม่เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเห็นรูปก็จะไม่เกิดอารมณ์ได้ยินเสียงก็ไม่เกิดอารมณ์แต่ถ้าอยู่ในบ้านในเมือง เวลาเห็นรูปหรือได้ยินเสียงนี้สามารถทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้เพราะรูปเสียงต่างๆในบ้านในเมืองนี้เป็นรูปเสียงของกิเลสตัณหานั่นเองพอเห็นแล้วก็จะเกิดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าไปอยู่ในตามป่าตามเขาที่เป็นรูปเสียงกินนรของธรรมชาติธรรมชาตินี้ไม่เป็นกิเลส เวลาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่เกิดอารมณ์โลภโกรธหลงขึ้นมาจึงจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ทำให้เกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุนมื่ขึ้นมานอกจากคุมอารมณ์ทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ยังต้องมาคุมอารมณ์ทางใจด้วยเพราะถึงแม้ว่ายังไม่ได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรส ที่ทำให้เกิดอารมณ์แต่ใจก็ยังเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ถ้าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ดีหรือที่ยังไม่ไมไมปรากฏขึ้นมาก็ดีก็อ า, อาจจะทำให้เกิดอารมณ์วิตกกังวลเกิดอารมณ์ไม่สบายขึ้นมาได้ก็ต้องควบคุมความคิดของใจให้ได้เพราะถ้าควบคุมไม่ได้ใจจา บุนวายไปกับอารมณ์ต่างๆนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องอไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกินรของกิเลสตัณหาคือไปอยู่ในบรรยากาศของธรรมชาติตามป่าตามเขาเช่นเสียงนกที่เราได้ยินนี้ถึงแม้จะดังขนาดไหนฟังแล้วก็ไม่เกิดอารมณ์ ไม่เหมือนกับเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงหรือได้ยินเสียงคนพูดนี่ฟังแล้วจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีดงนั้นเราต้องสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกนิ้นกายอย่าปล่อยให้ตาหูจมูกนิ้นกายไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ที่จะทำให้เกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุนมัวขึ้นมาก็เลยจำเป็นที่จะต้องย้ายสถานที่ จากการอยู่ในบ้านในเมืองออกไปอยู่ตามป่าตามเขาเพื่อที่จะได้สัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสของธรรมชาติที่ไม่เป็นกิเลสตัณหานั่นเองแล้วพอไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นแล้วก็ยังต้องมาคอยควบคุมความคิดเพราะถึงแม้จะไม่ได้สัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ทำให้เกิดอารมณ์แล้วแต่ความคิดนี้ก็ยังสามารถทาให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ ถ้าเราคิดถึงเรื่องไม่ดีใจเราก็จะรู้สึกไม่ดีขึ้นมาทันทีถ้าคิดถึงเรื่องดีใจเราก็จะเกิดความโลภหรือความวิตกกังวลขึ้นมาได้เพรางการที่จะระงับอารมณ์ก็ต้องมาระงับความคิดการจะระงับความคิดได้ก็ต้องมีสติถ้ามีสติพอเห็นว่าคิดปั๊บก็สั่งให้มันหยุดได้เลย แต่ถ้ามันคิดแล้วสั่งให้มันหยุดไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสติถ้ายังไม่มีสติก็จำเป็นที่จะต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้ใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบบทสามารถเอามาใช้เพื่อทำให้เกิดสติทำให้ระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆได้เช่นการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธ อันนี้ก็เป็นกรรมฐานบทหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในการเสริมสร้างสติเสริมสร้างกาลังของใจให้หยุดความคิดพอเวลาใจคิดแล้วเราหยุด ไ, ไม่ได้เราก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปอยู่กับความคิดให้มาอยู่กับคำบริกรรมพุทโธแทนถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธไปได้อย่างต่อเนื่อง ความทิศที่ปรากฏขึ้นมาก็จะค่อยๆหมดไปหายไปแต่การที่จะหมดได้นี้ก็ต้องอาศัยความต่อเนื่องของการบริกรรมพุทโธไม่ใช่บริกรรมพุทโธสองสามทีสองสามครั้งแล้วความคิดจะหยุดไปทันทีอาจจะหยุดแต่พอเราหยุดบริกรรมมันก็จะกลับมาทันทีนเราน่าต้องมีความเพียรมากๆในการฝึกบริกรรมพุทโธพุทโธ เระควรที่จะ ท, จทำตั้งแต่ยังไม่มีความคิดถ้าเรามาบริกรรมตอนที่เกิดความคิดแล้วเราอยากจะหยุดความคิดเราอาจจะไม่มีกำลังที่จะบริกรรมพุทโธได้ดังนั้นเราควรที่จะฝึกบริกรรมพุทโธไปก่อนไปตั้งแต่ที่เรายังไม่ต้องหยุดความคิดหัดหยุดมันก่อนรเราควรที่จะฝึกบริกรรมตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลย พอลืมตาขึ้นมาก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปควบคู่กับการไปกระทากิจกรรมกิจวัตรที่จำเป็นจะต้องทำเช่นการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมรับประทานอาหารทำความสะอาดที่อยู่อาศัยเราสามารถจลินสติได้ใน ลองทำกิจกรรมเหล่านี้เพราะกิจกรรมเหล่านี้ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเราต้องไปทำงานทำการต้องใช้ความคิดมากตอนนั้นเราก็จะไม่สามารถบริกรรพุทโธได้ถ้าเราคิดบัญชีคิดวางแผนงานต่างๆถ้าบริกา ร, รพุทโธมันก็เดี๋ยวก็จะคิดไม่ออกคิดไม่รู้เรื่องเพนั้นการทำงานนี่ก็จะเป็น สัตรูต่อการฝึกสตินจึงต้องมาฝึกสติในวันที่ไม่ต้องทํางานกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเอาความคิดไปใช้กับการทํางานเพื่อที่เราจะได้ใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธหยุดความคิดต่างๆเพราะถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้เราจะไม่สามารถทําใจของเราให้สงบได้นั่นเองเราจะจาเป็นที่จะต้องอ มีเวลามีสถานที่แล้วก็มีความเพียรมีเวลาแล้วมีสถานที่แล้วแต่ขี้เกียจมันก็ยังทำให้เกิดสติขึ้นมาไม่ได้เช่นมีวันหยุดทำงานไปอยู่วัดไปถือศีลแปดแต่ยังไม่ยังไม่ขยันภาวนายังไม่ขยันเจริญสติถ้าไม่ขยนันสติก็ไม่เกิดขึ้นมา สติไม่ได้เกิดจากการไปอยู่สถานที่ที่สงบไม่ได้เกิดจากการรักษาศีลแปดสติจะเกิดก็เกิดจากความเพียรความเพียรทยายามที่เรียกว่าวิริยะวิริยะนี้เป็นธรรมที่สําคัญในการที่จะทําให้เกิดสติขึ้นมาได้ต้องขยันหมัน่นเจริญสติถ้าใช้พุทโธก็หมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ นอกจากการใช้พุทโธแล้วก็สามารถใช้กรรมฐานแบบอื่นได้เช่นบางท่านอาจจะชอบเฝ้าดูร่างกายก็เฝ้าดูกิจกรรมการกระทําของร่างกายไปในทุกิริยาบทให้ดูเฝ้าดูการกระทําของร่างกายทุกการเคลื่อนไหวกําลังเดินก็ดูว่ากําลังเดินกําลังยืนก็รู้ว่ากําลังยืนกําลังนั่งก็รู้ว่ากําลังนั่ง ให้รู้อยู่ทุกเอเรียบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องเดินกลับมาให้อยู่ที่ร่างกายถ้าไม่ชอบคําบริการพุทธโธหรือบริการพุทธโธแล้วเหนื่อยก็ใช้การเข้าดูร่างกายแทนก็ได้ดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรร่างกายกําลังรับประทานอาหารก็ดูตั้งแต่ตักอาหารเข้าปากเคี้ยวกลืนเข้าไป ดูทุกขั้นตอนของการรับประทานอาหารอย่าปล่อยให้ร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปอยู่เรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็เป็นวิธีเจริญสติหยุดความคิดต่างๆได้ถ้ามีสติแล้วเวลาที่จะมานั่งสมาธิก็จะง่ายนั่งแล้วจิตก็จะสงบได้ง่ายและเร็วแต่ถ้าไม่มีสติแล้วนั่งไปยังมีความคิดมา ลบกวนใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่มีวันเข้าสู่ความสงบได้ฉะนั้นต้องพยายามฝึกสติบ่อยๆฝึกสติให้มากๆเพื่อกําจัดความคิดปรุงแต่งต่างๆพอเวลานั่งสมาธิถ้าจะให้ดูลมหายใจก็จะดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวถ้าได้ฝึกเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายมาอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเวลานั่งสมาธิครับ สั่งให้ดูลมหายใจเข้าออกก็จะดูแต่ลมหายใจเข้าออกจะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าดูลมหายใจก็ให้ดูอยู่ที่จุดเดียวดูที่ปลายจมูกหรื อ, อยุดูที่กลางหน้าอกจะสามารถสัมผัสรับรู้การเข้าออกของลมได้เวลาลมเข้าก็ให้รู้ว่าเข้าเวลาลมออกก็ให้รู้ว่าออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องไปทําให้ลม ยาวหรือสั้นลมจะสั้นก็รู้ว่าสั้นลมจะยาวก็รู้ว่ายาวลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบลมจะละเอียดก็ให้รู้ละเอียดไม่ต้องไปทำอะไรกับลมเพียงแต่ให้เฝ้าดูลมเท่านั้นเพื่อไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆถ้าสามารถดูลมไปอย่างนี้ไปเรื่อยใจก็จะค่อยๆสงบลงไปบางครั้งก็สงบแบบรวดเร็วบางครั้งก็สงบเป็นขั้นๆ แล้วแต่กำลังของสติอันนี้เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ขอให้เรามีสติรู้เฉยๆก็แล้วกันจิตจะสงบแบบเป็นขั้นเนื้อสงบแบบรวดเร็วลงไปถึงความถึงฐานเลยก็ปล่อยให้มันเป็นไปพอจิตสงบนิ่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าสงบนิ่งแล้วลมจิตก็จะปล่อยลมไม่ไปรับรู้เรื่องลมรู้อยู่แต่ ความสงบรู้อยู่แต่ความนิ่งของจิตรู้อยู่กับสักแต่ว่ารู้นะจิตก็จะเป็นอุเบกขามีความเย็นมีความสบายไม่วุ่นวายไปกับอะไรต่างๆถ้ายังสามารถสัมผัสรับรู้เสียงที่มาทางร่างกายหรือความรู้สึกทางร่างกายที่เช่นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ใจก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อน จจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้จะไม่รู้สึกหวั่นไหวจะไม่มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปอยู่กับความเจ็บนั้นได้อย่างสบายนี่เรียกว่าสมาธิถ้าได้เข้าสมาธิแล้วจะมีความสุขมีความสบายใจจะทำให้ไม่ต้องไปหาความสุขแบบอื่นไม่ต้องไปมีเงินทอง เพื่อที่จะได้ไปใช้ซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆไม่ต้องไปทำงานให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่าได้ความสุขที่เหนือกว่าด้วยความสุขที่ได้จากความสงบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนัติสันติบาังสุขขังดีคือ ความสุขที่เราจะสามารถหาได้ถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีเวลาโดยการถือศีลแปดด้วยการไปอยู่ปีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่จะมาคอยก่อกวนจิตใจให้วุ่นวายใ ห, ไให้ไม่ให้สงบเลยพอเรามีเวลามีสถานที่แล้วเราก็ต้องมีความเพียร พยายามเพียนเจรานสติตลอดเวลาในขณะที่เราไม่ได้นั่งพอนั่งเราก็มาเจรานสติต่อการที่จะทําให้จิตสงบนิ่งได้ร้อยเปอร์เซ็น์นี้ต้องอยู่ในท่านั่งถ้าอยู่ในท่าอื่นถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวอยู่จิตยังต้องทํางานจิตยังต้องคอยควบคุมคอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรอยู่ก็จะไม่สามารถที่สงบได้อย่างเต็มที่จะสงบได้ก็เพียงแต่ทําให้ จิตว่างไม่ฟุ้งซ่านแต่ไม่นิ่งเต็มที่ถ้าอยากจะให้นิ่งสงบเต็มที่นี้ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวคืออยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วจิตเข้าสู่สมาธิได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง แต่ก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เพราะเวลาที่สติหมดกำลังกิเลสตันหาที่มีอยู่ในใจยังไม่ตายก็จะผลักดันให้ใจออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายออกจากสมาธิมาเวลาออกจากสมาธิมาจึงจำเป็นที่จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะรักษาความสงบไว้ต่อไปอย่างแรกก็คือให้เจริญสติต่อ จากสมาธิมาก็ต้องบริกรรมพุโทโธต่อหรือเฝ้าดูร่างกายต่อเพื่อที่จะรักษาใจไม่ให้เกิดความฟุง้งซ่านเกิดความวุ่นวายใจและวิธีที่สองที่จะทําให้ใจสงบได้อย่างถาวรก็คือการใช้ปัญญาการใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาจะสามารถรักษาใจให้สงบได้เหมือนกับขณะที่อยู่ในสมาธิ การใช้ปัญญาก็คือการรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะมาทำลายความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิเหตุที่จะมาทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆนี้เองความอยากสามประการคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ภาวะตันหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่วิภาวะตันหาคือความอยากไม่เป็นอยากไม่มีอยากไม่ได้นั่นอยากไม่ได้นี่อันนี้เป็นความอยากพอเกิดความอยากนี่แล้วเวลาจิตออกจากสมาธิมาปั๊บความอยากนี้ก็จะมาทำให้ความสงบที่ได้หายไปทันทีถ้าไม่อยากให้ความสงบที่ได้จากสมาธิหายไป ก็ต้องใช้ปัญญาที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าคือให้ระ ง, งับความอยากเหล่านี้อยากพอสังเกตดูเวลาออกจากสมาธิหนึ่งเดี๋ยวมันอยากจะดื่มกาแฟและยอยากจะรับประทานขนมละอยากจะดูนั่นดูนี่อยากจะเปิดมือถือติดต่อดูว่าใครส่ง ข, าข่าวก็มาหรือเปล่าละอันนี้เป็นความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่า ถ้าเราอยากจะมีความสุขจากความสงบ ffic. เราก็ต้องตัดความความสุขแบบนี้ไปความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปอย่าไปดูอย่าไปทำตามความอยากเพราะถ้าไปทำตามความอยากแล้วความสุขที่ได้จากความสงบมันจะหายไปแล้วความสุขที่ได้จากการดูเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วเดียวก็กลายเป็นความทุกข์พอไปดูเรื่องที่ไม่ชอบขึ้นมาใจก็ไม่สบายใจขึ้นมาอีก สู้อย่าไปรับรู้มันดีกว่าเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นเรื่องอนิจจังทุกขั ง, งอนัตานตามันเป็นเรื่องที่ชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากสุกกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาได้สู้อย่าไปรับรู้มันดีกว่าอันนี้ก็ปิดมือถือถ้าอยากจะไปเปิดมือถือก็ปิดต่อถ้าอยากจะไปดื่มกาแฟก็อย่าไปดื่มถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่า ดื่มน้ำเปล่าได้ถ้าดื่มเพื่อร่างกายร่างกายจำเป็นจะต้องดื่มน้ำแต่ร่างกายไม่จำเป็นจะต้องดื่มกาแฟแยากกาแฟออกจากน้ำเสียอย่าเอามารวมกันเพราะรสของกาแฟกลิ่นของกาแฟนี่มันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นกิเลสมันเป็นตันหาความอยากที่เราจะต้องคอยกำจัดไม่ใช่คอยส่งเสริมเพราะถ้าเราส่งเสริมนะเราก็จะติดเราจะผูกพันกับมัน แล้วเราก็จะดิ้นหามันอยู่เรื่อยๆ เ, เวลามันหมดก็ต้องไปดิ้นหามันมาดื่มใหม่ก็เลยจะไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบเวลาจะเข้าไปในสมาธิก็จะเข้ายากเพราะมันถูกความอยากที่จะดื่มกาแฟนี้ดึงเอาไว้ความอยากที่จะดูอะไรต่างๆดึงเอาไว้ทำให้เวลาจะเข้าสมาธิแต่ละครั้งนี้ยุ่งยากลำบาก แต่ถ้าเราฝืนความอยากล่งนี้ได้ความสงบที่เราได้จากสมาธิก็ยังจะคงอยู่ต่อไปจะคงอยู่ไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถฝืนความอยากทุกชนิดได้ความอยากจะทำอะไรดูอะไรฟังอะไรกินอะไรที่ยังไม่จำเป็นจะต้องกินดื่มอะไรที่ยังไม่ต้องจำเป็นจะต้องเดืมก็อย่าไปทำมันแล้วความอยากต่างๆต่อไปมันก็จะหมดไป แล้วมันจะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบที่เราได้จากการทำสมาธิความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะกลายเป็นความสงบที่ถาวรต่อไปเป็นความสงบของพระอริยเจ้าความสงบที่เกิดจากการกำจัดความอยากต่างๆกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา เพื่อไม่มีกามาตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาใจก็จะมีแต่ความสงบไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิพระพุทธเจ้าพาาระอรหันนี้ท่านไม่ต้องเข้าสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเพราะใจของท่านสงบตลอดเวลาไม่ว่าจะเข้าสมาธิหรือไม่เข้าสมาธิเพราะตัวที่มาทำลายความสงบตัวที่สร้างความวุ่นวายใจนั้นมันไม่มีใจก็เลยสงบ เหมือนบ้านเมืองถ้าโจรผู้ร้ายถูกกำจัดไปหมดเนี่ยบ้านเมืองก็จะสงบไม่ต้องคอยหลบเข้าไปอยู่ในบ้านอยู่ที่ไหนก็สงบเพราะไม่มีตัวตัวก่อกวนตัวที่จะมารสร้างความวุ่นวายบนท้องถนนตามสถานที่ต่างๆเพราะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเข้าไปกำจัดหมดฉันใดกิเลสตัณหาก็เหมือนกันกิเลสตัณหาเป็นตัวที่ สร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์ใจให้กับเราพอเราได้กำจัดมันหมดแล้วเราก็ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพื่อหลบมันเพราะว่ามันมันจะไม่มีอะไรมาก่อกวนใจเราอีกต่อไปใจของเราก็จะสงบตลอดเวลาและจะไม่มีอะไรที่จะมาดึงให้เราไปมีร่างกายใหม่อีกต่อไปเพราะเราไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายแล้วไม่มีความอยากจะใช้ตาหูจมูกลิ้นกาย เพรเส่รูปเสียงกินรดต่างๆแล้วการเกิดก็เลยไม่มีเมื่อการเกิดไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็ก็จะก็จะเป็นผลตามมาแล้วใจก็จะอยู่อย่างสงบไปตลอดใจไม่ได้ตายใจไม่ได้หายไปไหนการไม่ได้มาเกิดนี่ไม่ได้หมายความว่าเราหายเราสูญไปไหน เราอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าอยู่แบบมีร่างกายเพราะมีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกกับร่างกายทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายทุกกับการที่จะต้องอเลี้ยงทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพอไม่มีความทุกข์เหล่านี้พอไม่มีร่างกายความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่มีต่อไปอการสิ้นสุดของความทุกข์ก็ เป็นผลที่ตามมาเรียกว่นานิพพานจิตที่สงบจิตที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากกิเลสตัณหาก็คือนิพพานนี่เองนี่คือความสุขระดับของนักบวชที่เป็นความสุขที่สูงสุดที่ผู้ที่มีความสุขแบบผู้ครองเรือนจะต้องไต่เต้าขึ้นไปทุกคนต้องเริ่มต้นจากความสุขของผู้ครองเรือนก่อนเพราะทุกคนเกิดมาต้องเกิดเป็นผู้คลองเรือนก่อน แต่เมื่อได้มาศึกษาได้มาฟังความฟังเทศฟังธรรมและได้พบได้รู้ว่ามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขของผู้ครองเรือน mm. ก็ลองนำเอาไปปฏิบัติดูลองไปเข้าวัดในวันพระไปเทศศีลแปดไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาพอเริ่มทำแล้วก็จะสามารถทำเพิ่มขึ้นไปได้ตามลำดับจนสามารถทำเป็นแบบ เป็นนักบวชได้อย่างเ ต, ต็มร้อยคือออกบวชเลยเมื่อได้ออกบวชแล้วมีความเพียรพยายามปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็จะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐนี้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของความสุขสองประเภทของชาวพุทธเหล่านี้คือความสุขแบบผู้ครองเรือนที่เกิดจากเหตุ4ประการคือหนึ่งการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์ สองการใช้ทรัพย์สามการไม่มีหนี้และสี่การกระทาที่ไม่เกิดโทษและความสุขของนักบวชที่เกิดจากเหตุสามประการคือศีลสมาธิปัญญานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปฏิอิท um ิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกบา จันททปนะราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจาันโสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีฆายุโกภะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปจายิโน ยะตาโรธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี่ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขอถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกัน หลังจากเลิประชุมแล้วขออนุญาตงดถามตอบถ้าอยากจะถามก็ถามช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็ให้เขียนข้อความส่งขึ้นมาแล้วจะมีพิธีกรช่วยอ่านคำถามให้วันนี้ไม่ทราบทาง Facebook กับ YouTube เข้ามาเท่าไหร่ Facebook 329คนครับ YouTube 95คนครับ เบรโอสิบเก้าคนรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสี่หกคนรวมห้าร้อยแปดสิบเก้าคนครับพระอาจารย์โอเคอยากจะถามใช่ไหมส่งไปส่งไปไปกับถามพระอาจารย์ครับอบางครั้งเวลาที่เราปฏิบัติธรรมครับแล้วเกิดอาการเหนื่อยหรือว่าร่างกายไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเวลามีคนเข้ามา ทำไม่ดีหรือว่าเป็นเบียร์เราเนี่ยครับมันจะรู้สึกว่าสติจะไวไม่ทันที่จะระงับเพราะว่าความเหนื่อยหรือว่าความล้าอย่างเงี้ยครับจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับคือเราโกรธใช่ไหมเวลาที่มีใครมารบกรวนใจใ<ช>ก็ต้องให้อาภัยเข้าไปคิดว่ามันเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุกับรถไปอาจจะไปพาดชนกันอย่างนี้ก็ต่างคนก็ต่างให้อาภัยกันครับ เหตุการ์มันก็ผ่านไปแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นตั้งสติใหม่พอเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาถ้ารู้สึกตัวก็เรียบใช้พุทโธพุทโธไปอย่าคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธความโกรธมันก็จะจางหายไปถ้าพุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก็ได้คือพยายามดึงความคิดเราออกจากเรื่องที่ทำให้เราโกรธถ้าเรายิ่งคิดเราก็ยิ่งโกรธใหญ่ ในะอย่างก็คือความอยากอยากให้ไม่ให้คนมารบกวนเราพอมีคนมารบกวนเราก็จะโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีเหตุการณ์ที่สุดวิสัยที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้แต่เราควบคุมใจเราได้เราก็ปรับใจเราอยอมรับว่ามันก็มีอุปสรรคบ้างก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่ เอามากดมันยิ่งทาให้เราเริ่มต้นไม่ได้เลยแสดงว่าความเหนื่อยนี้เราก็้ามันไม่ได้ก็เลยต้องไปหลังขับตอนที่เราเริ่มมีสติใช่ไมครับก็คือสตินี้มันความจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหนื่อยไม่เหนื่อยสตินี้เราสามารถมีได้ถ้าเราฝึกมามากมันจะมีอยู่ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนสติก็ยังมีอยู่ได้ แต่ถ้าเรายังไม่ค่อยมีสติถ้าร่างกายมีอาการมันก็จะมาทำให้เราแย่เผลอสติมากขึ้นก็ต้องพยายามดึงสติกลับมาเวลาที่เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เราไม่ควรไปพูดไปคิดอะไรควรที่จะหยุดมันควรที่อย่าเข้าหาพูดโถพูดโถ อ, อ, อย่าไปคิดอะไรเลยตอนนั้นเหมือนกับว่า ถ้าเป็นพยาบาลก็เลือดกำลังออกก็พยายามหยุดเลือดก่อนยังไม่ต้องไปรักษาแหลยตอนนี้เราไม่มีสติก็เหมือนเราไม่เลือดไหลออกทางใจเราต้องหยุดการไหลของเลือดก่อนด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปส่วนเรื่องอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปกังวลกับมันให้ตั้งสติให้ได้ก่อนพอจิตพอใจมีสติแล้วใจก็จะเป็นปกติแล้วทีนี้ก็ค่อยว่ากันไปว่าจะทําไงต่อไปดี แล้วบางครั้งเวลาถ้าเกิด <c oughs> เราเริ่มมีสติกลับมาแล้วครับแล้วความคิดฟุ้งซ่านหรือความไม่พอใจมันดับไปแล้วเราควรที่ต้องพิจารณาอะไรต่อไหมครับอาจารย์หรือว่าถ้าเรายัางอยู่ในขั้นฝึกสมาธิก็ไม่ควรพิจารณาอะไรควรพยายามทําใจให้สงบดีกว่าเพราะการพิจารณาก็จะไม่ได้เป็นก่อบเป็นกรรมเพราะพิจารณาไปเดี๋ยวกลายเป็นกิเลฟสฟุ้งซ่านขึ้นมาใหม่ได้ยังในเบื้องต้นนี้หัดหยุดความคิดให้ได้ก่อน เพราะว่าถ้าเราหยุดความคิดได้ต่อไปเวลาเราไปพิจารณาแล้วถ้าเกิดมันฟุ้งขึ้นมาเราก็จะหยุดมันได้แต่ถ้าเราหยุดมันไม่ได้พอมันฟุ้งแล้วมันก็ยิ่งฟุ้งไปใหญ่เลยยันทางปัญญานี้เป็นทางขั้นที่สองหลังจากที่เราได้สติก่อนได้สมาธิก่อนอยันมันฝึกสติหยุดความคิดก่อนหยุดอารมณ์ต่างๆก่อนอีกคาถามนะครับ ถ้าเกิดเป็นคนที่มักมีอารมณ์โกรธหรือว่าไม่พอใจอยู่เสมอแล้วชอบแช่งผู้อื่นครับเวลาตายไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นเดราชะฉ์ไนมครับอาจารย์อ๋อถ้าเราไม่ได้ไปทําบาปยังไม่เป็นถ้าเราไม่ได้ไปทําผิดศีลห้าเนี่ยังไม่เป็นเพียงแต่ว่าถ้าใจเราคิดอกุศลเนีน่มันอาจจะยับยั้งไม่ได้ตอนต้นอาจจะแช่งแล้วต่อไปอาจจะไปทําเขาเลยพยา ย, ยามระงับความคิดไม่ดีเวลามันโผล่ขึ้นมาถ้ามัน แต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจกับมันเพราะมันเปน็นเป็นธรรมชาติของเราที่จะคิดอย่างนี้แต่เราสามารถที่จะแก้ได้ด้วยการที่บริกรรมพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงมันทุกครั้งที่มันคิดไม่ดีเราก็พุโทโธพุโทโธไปแทนต่อไปความคิดไม่ดีเหล่านั้นมันก็จะหมดไปเอง หมดคำถามแล้วครับอาจารย์ดังนั้นส่งกลับไปคําถามจากทางอินบล็อกค่ะจากคุณอ้อนค่ะคือระหว่างใช้ชีวิตประจาําวันใช้คําภาวนาอย่างหนึง่งนั่งสมาธิภาวนาอย่างหนึง่งและตอนนอนภาวนาอีกอย่างหนึง่งผิดกฎของการทําสมาธิหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกเวลาทํามันอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันอย่าเปลี่ยนไปอย่าเปลี่ยนในขณะที่กําลังทําอยู่แค่กำลังอ หรือถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องมีเหตุผลเช่นบางเวลาเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราจะบริกรรมพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกมันไม่ยอมมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากการบริกรรมหรือดูลมมาเป็นการสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ยาวๆสวดไปนานๆสวดให้มันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันก็จะหยุดคิดเองพอมันหยุดคิดแล้วเราอยกลับมาดูลมหรือพุโทโธต่อไป ถ้าจะเปลี่ยนต้องมีเหตุผลเหมือนขับรถเนี่ยกับรถบางทีเราต้องเปลี่ยนเกียร์ถ้าเป็นรถเกียร์แบบที่ไม่ใช่อัตโนมัติถ้ารถมันช้าเราก็ต้องเข้าเกียร์ต่ําพอรถมันวิ่งแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเข้าเกียร์สูงไปตามเหตุการณ์ใจเราก็เป็นเหมือนรถบางทีก็ฟุ้งบางทีก็ไม่ฟุ้งเวลาฟุ้งเราก็ต้องใช้เกียร์อย่างหนึ่งเวลาไม่ฟุ้งเราก็ใช้เกียร์อีกอย่า ง, งต้องดูสังเกตดูว่ว่ามันเหมาะกับ กรรมรมาปะเภทหนคำถามจากคุณแพตตี้ค่ะพระอาจารย์เจ้าคะเวลาเราไปไหว้พระไหว้เจ้าแล้วเราบนบานไว้ว่าจะเอาของมาถวายแล้วเราลืมเอาของไปถวายเราจะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปนะเป็นแต่ว่าเราเป็นการโกรหกตัวเองนั่นเองเป็นนิ ส, สัยไม่ดีเป็นคนไม่มีสัจจะแลนะอาจจะไปโกหกคนอื่นต่อไปได้เห็นพยายามอย่า อย่าบนถ้าบนแล้วต้องทําตามที่เราบน่นเพราะเป็นเหมือนกับการให้คํามั่นสัญญาถึงแม้กับถึงแม้กับตัวเราเองเมื่อรมเราก็ต้องทําเพื่อจะได้ลึกนิสัยที่มีสัจจะคําถามจากคุณลุชนาฏค่ะคือตอนนี้เพิ่งเริ่มหัดภาวนาเพื่อทําสมาธิค่ะหลังจากหาฐานจิตแล้วก็เริ่มบริการบริกรรมพุทโธพุทโธค่ะขณะที่เดินจงกรม อยากเรียนถามว่าการบริการแบบทิทีกับค่อยคอยบริการนั้นมีผลแตกต่างกันหรือเปล่าคะก็แล้วแต่เหตุไงบางทีเหตุถ้าเราบริการช้าๆแล้วมันมันหยุดความฟุ้งไม่ได้เราก็อาจจะบริการให้มันทีขึ้นให้มันเร็วขึ้นอ่ะแล้วแต่เหตุการณ์เหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกคําถามต่อไปจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามคะ่ะ ถ้าเราพยายามรักษาสินห้าสิแปแต่เราเผลอไปทําผิดสินขึ้นมาเราจะบาปมากไหมคะและควรทําใจคิดอย่างไรคะก็ทําผิดศินมันก็บาปก็ต้อง ก, ก็ต้องเอาการกระทําบาปของเรานี่มาเตือนใจแล้วว่าสติเราไม่ค่อยดีเราต้องพยายามเพียรสร้างสติให้มากขึ้นมีความระมัดระวังคอยดูเฝ้าดูความคิดของเราว่ากําลังคิดไปในทางไหน ถ้าคิดไปนในทางที่ไม่ดีก็ต้อง ร, รีบหยุดมันอย่าปล่อยให้มันออกมาทางกายทางวาจาแต่ถ้าไม่มีสติเราจะไม่เราจะไม่ทันเพราะมันจะไวมากพอคิดปุ๊บมันทําปั๊บเลยพอใครถามอะไรก็โกหกทันทีเลยดัยงนั้นเราก็ต้องคอยเตือนใจคอยดูจุดบกพร่องของเราแล้วคอยระมัดระวังเช่นถ้าเราชอบพูดโกหกต่อไปทุกครั้งก่อนที่เราจะพูดให้นับหนึ่งสองสามก่อน แล้วก็ถามตัวเองว่าเรากาลังพูดโกหกหรือไม่โกหกแล้วค่อยไปพูดค่อยมีเวลาตั้งสติหน่อยอย่าทำแบบพุนหันพันล่นทันทีทันใดเพราะว่าถ้ามันนิสัยชอบโกหกมันก็จะโกหกไปเรื่อยๆห็่เราต้องมาแก้ด้วยการ่วงเวลาหน่อยก่อนที่จะไปพูดหรือไปทำอะไรนับหนึ่งสองสามหรือถามตัวเองก่อนว่าให้ผิดศีลหรือไม่ผิดศีล ให้มีการกันกลองซะหน่อยก่อนก่อนที่จะไปพูดไปทาคำถามต่อไปคะ่ะเราชวนคนไปสแสวงบุญที่อินเดียเขาตอบเราว่าวัดไทยยังไปไม่ครบเลยจะไปอินเดียทำไมอย่างนี้เขาคิดถูกไหมคะแล้วคนที่ไปสแสวงบุญที่อินเดียคิดว่าตามรอยพระพุทธเจ้าจะได้บุญอันยิ่งใหญ่คือเป็นการเข้าใจคิดผิดหรือเปล่าเจ้าคะรบกวนพระอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยเจ้าคะ คือการไปที่สังเวชนิยสถานสีนี้เป็นการสร้างศรัทธาในบุคคลที่ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราได้ไปเห็นที่ท่านประสูต์ที่ท่านตรัสรู้ที่ท่านแสดงธรรมครั้งแรกที่ท่านปรินิพานมันก็จะทําให้เราเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่เป็นนิยายที่ใครเขาแต่งกันขึ้นมาอันนี้คือ เป้าหมายหลักของการไปอินเดียไม่ได้ไปแสวงบุญอะไรนอกจากบุญที่เกิดจากการมีศรัทธาเพราะก่อนที่เราจะสร้างบุญต่างๆขึ้นมาได้นี่เราต้องมีศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าก่อนเพราะบุญต่างๆนี้เกิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําถ้าเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าบุญที่ใกล้เราทํานี้มีจริงหรือเปล่าแต่พอเราไปพบสถานที่ ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่มันก็จะทมให้เราเชื่อว่าอ๋อพระพุทธเจ้ามีจริงยงิ่นบุญที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำนี่ก็ต้องมีจริงเราก็จะได้มีศรัทธาในการทำบุญต่อไปคำถามจากคุณนุศราค่ะลูกกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดต้องปิดหน้าต่างล็อกบ้านให้เรียบร้อยแต่มีนกเข้ามาทำรงังและ ว, วางไข่ตรงขอบหน้าต่างและลูกจาเป็นต้องปิดหน้าต่างจึงทรารังนกตก ไปรูปทําบาปไปแล้วต้องแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็ไม่ได้ถ้าไม่มีเจตนาตั้งใจก็ยังไม่บาปเพียงแต่ว่าเป็นเหมือนอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขากับเราก็ได้ดังั้นข้อต่อไปเวลาจะทําอะไรก็คอยมีสติให้ระมัดระวังดูว่าการกระทำของเราเกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ถ้าเกิดเราก็พยายามระ ง, งับหรือป้องกัน แก้ไขยอย่างใดอย่างหนึ่งไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหต่อผู้อื่นแต่การกระทำโดยไม่มีเจตนานี้มันเป็นเหมือนอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเขาก็ได้อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้คาถามจากทาง Facebook ค่ะจากเด็กชายเดียผู้สนใจทำสมาธิควรนอนเวนละกี่ชั่วโมงครับถึงจะเอื้อต่อการทาสมาธิ อ, อ๋อตามหลักแล้วผู้ปฏิบัติทำจริงๆนี่เขานอนคืนละสี่ห้าชั่วโมงเท่านั้น เ, ออเพราะเขาต้องการเอาเวลามาปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแบบเต็มที่แบบมืออาชีพก็ทําไปเท่าที่จะสามารถทําได้ก็โดยหลักก็ให้นอนน้อยๆปฏิบัติให้มากออคาถามจากคุณอุบลราาักค่ะ ก่อนบารดาเสียชีวิตได้รักษาสินแปดและได้ทําบุญตักบาตอยู่เป็นประจําแล้วบุญกุศลที่ท่านได้ทําไว้จะทําให้ท่านได้เกิดเป็นเทวดาหรือไม่เจ้าคะก็แล้วแต่ว่าบุญกับบาปที่ทําไว้นั้นอันไหนมีกําลังมากกว่าการเวลาที่ท่านตายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปก็จะพาให้ท่านไปเป็นเทวดาไปสวรรค์ชั้นต่างๆ แต่ถ้าบาปยังมีกำลังมากกว่าบุญก็อาจจะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเกิดในบายได้คำถามจากคุณชนะตนค่ะควรใช้คุณธรรมข้อใดจึงจะ เ, เพ่งโทษตนเองเพียงอย่างเดียวโดยไม่เพ่งโทษคนอื่นค่ะก็ะใช้คุณธรรมว่าโทษของคนอื่นจะใหญ่จะร้ากากขนาดไหนมันก็ไม่มีส่วนนะเกี่ยวข้องอะไรกับเรา โทษของเรานี้แม้จะเล็กน้อยมันก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายกับเราเหตนั้นเราไม่ต้องไปสนใจกับโทษของคนอื่นให้สนใจกับโทษของเราคำถามจากคุณตระการค่ะเวลาทําสมาธิที่ถูกควรวางจิตไว้ตรงไหนดีครับเวลากําหนดลมจะมีดวงกลมๆสว่างๆระหว่างดวงตาถ้าเรากําหนดไว้ที่ท้องด้านในก็จะรู้สึกตัว รู้ทั่วไปทุกส่วนแขนขาวางท่าไหนก็รู้ทั้งสองแบบใจจะสงบลงคนละแบบอยากถามพระอาจารย์ว่าแบบไหนเป็นรูปแบบที่ถูกต้องครับรูปแบบที่ถูกต้องก็ต้องอยู่กับลมอย่าไปสนใจกับอาการอื่นๆที่แฝงเข้ามาอยากไปปล่อยให้มันกระจายไปกว้างขวางเพราะการนั่งสมาธิต้องการรวมใจให้อยู่ในจุดเดียวเป็นพยายามหาจุดของลมให้เจอ จุดที่ลมเข้าลมออกแล้วก็ให้เฝ้าอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวสวนาการแฝงที่ปรากฏรับรู้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับลมอย่างเดียวให้รู้ว่าลมกำลังเข้าหรือลมกำลังออกลมสั้นหรือลมยาวลมอยากหรือลมละเอียดให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวสนาการอย่างอื่นอย่าไปสนใจถ้าสนใจแล้วจะไม่มีวันสงบคาถามต่อไปค่ะ เวลาทุกใจทำยังไงดีคะพระอาจารย์ลูกปวดหัวมากเลยค่ะก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจใช้วิธีสวดมนต์ไปถ้าเราสวดได้ก็สวดไปนานๆสวดครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสวดไปจนกว่ามันจะหายทุกข์หรือถ้าเราไม่สวดเราใช้พุทโธก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราสวดไม่ได้พุทโธไม่ได้ลองเปิดธรรมะฟังดูก็ได้ ถ้าใจมีสติอยู่กับธรรมะใจก็อาจจะเลิมเรื่องที่ทาให้เราทุกข์ได้แล้วถ้าได้ธรรมะก็อาจจะทาให้เราโปร่งได้อาจจะทาให้เราหายทุกข์ก็ได้คำถามจากคุณสรวิทค่ะการเลี้ยงสัตว์จะบาปไหมครับถ้าเลี้ยงไปแล้วมันตายเช่นปลาทองครับอ๋อไม่บาปหรอกการเลี้ยงสัตว์ถ้าเราเลี้ยงด้วยความเมตตาคือให้อาหารให้ความสุขกับเขา จะบากก็ต้องที่ไปกักขังเา้าเท่านั้นเองถ้าเราคิดว่าเราเป็นตัวปลานี่ระหว่างให้มีคนเลี้ยงอยู่ในตู้กลับปล่อยให้เราอยู่ในแม่น้ำลำทานอย่างไหนจะดีกว่ากันเราต้องมองย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าเราถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกว่าถึงแม้จะอยู่ในตู้มีอาหารกินอย่างดีแต่มันก็ยังไม่มีสารภาพเหมือนอยู่ติดคุกติดตาราง ถ้าเราคิดว่าเราเป็นตัวปลาเราอยากจะได้แบบไหนถ้าเราอยากจะได้ไปอยู่ในแม่น้ํานําฐานเราก็ควรจะปล่อยตัวปลานั้นไปจะดีกว่าคําถามจากคทา youtube คะ่ะช่วงนี้ถ้าเรายังอยากนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆรู้สึกยังไม่อิม่มยังไม่พอยังไม่อยากคิดอะไรควรนั่งไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะใช่ควรฝึกสมาธิให้ชํานาญก่อนสามารถเข้าสมาธิได้ อย่างรวดเร็วทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราํานานทางสมาธิแล้วขั้นต่อไปถึงแม้มันจะไม่อยากคิดก็ต้องบังคับให้มันคิดออกจากสมาธิมาก็สอนให้มันพิจารณาตายรักให้รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีเจราญมีเสื่อมมีการสิ้นสุดเป็นสิ่งที่เราไปห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปเพื่อเราจะได้ปล่อยวาง ละความอยากต่างๆอยากในสิ่งต่างๆได้แล้วใจเราก็จะสงบมากยิ่งกว่าความสงบที่เราได้จากสมาธิเพราะจะสงบแบบยาวเพราะไม่ต้องเท่าสมาธิอยู่ข้างนอกก็มีความสงบได้คำถามคาถามจะพูดรับฟังบนขา่าวค่ะมีอาชีพรับเลี้ยงหมูให้บริษัทเอกชนที่รับหมูไปฆ่าเพื่อขายอาชีพรับเลี้ยงหมูนี้เป็นบาปไหมครับ เราไม่ได้ฆ่าเองแต่เราก็มีส่วนได้ผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของหมูเราก็มีส่วนทำบาปด้วยถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็นบาปโดยตรงแต่ก็เป็นบาปทางอ้อมก็ไม่ควรกระทาการทาพระพุทธ ร, รูปเพื่อขายแต่กำไรไม่มากมีความเป็นบาปไหมครับอ๋อไม่บาปหรอกก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งเหมือนกับการ าขายผ้าจีวรนี่ก็เป็นอาชีพเหมือนกันไม่แบาปแต่อย่างใดจะกําไรมากกํำไรน้อยก็ไม่แบาบปคําถามจากคุณพาสกรค่ะจิตสงบนิ่งที่แท้จริงเป็นอย่างไรครับอันนี้ต้องทําต้องทําเองถึงจะรู้เหมือนกับกินข้าวเนี่ยกินแล้วอิ่มยังไงเนี่ยต้องกินเองถึงจะรู้ให้เล่าให้คนที่หิวข้าวฟังมันฟังไงมันก็ไม่อิ่มยิ่งลองไปกินข้าวถ้าเราเดี๋ยวก็จะอิ่มเอง ลองไปฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าเวลาจิตนิ่งจิตสงบแนละ้วมันเป็นอย่างไรคำถามต่อไปค่ะต่างาศาสนาการทําบุญให้เขาจะเกิดผลไหมคะกังวลเขาไม่รู้วิญญาณเขาจะหลงอยู่ที่ไหนหรือเปล่าคะคือวิญญาณก็ต้องไปตามตามอํานาจของบุญของบาปที่ได้ทําไว้ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของาศาสนาไหน ศสาสนาไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นวิญญาณก็เป็นวิญญาณและผู้ที่จะมาให้ผลต่อวิญญาณก็คือบุญและบาป ท, ที่ได้ทำไว้ส่วนบุญที่เราส่งไปถ้าเขาอยู่ในฐานะที่กำลังรอรับบุญอยู่เขาก็จะได้บุญคำถามจากคุณวิเชียนคะ่ะนอนไม่หลับจะวางจิตอย่างไรครับก็อย่าคิดแต่ที่น่าไม่หลับเพราะคิดมาก ฉะนั้นต้องหาอะไรมาคอยหยุดความคิดเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วอีกข้อที่สองก็อย่าไปอยากหลับถ้ายิ่งอยากหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่ก็ทําไม่หลับก็รู้ว่าตอนนี้มันไม่หลับไม่หลับแล้วก็พุทโธไปภาวนาไปเดี๋ยวพอเราภาวนาไปหยุดคิดเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวมันก็หลับไปเองแต่อย่าไปอยากหลับถ้ายิ่งอยากหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่เพราะความอยากนี้มันตัวกระตุ้นให้จิตเราตื่น คำถามจากคุณพัสกรค่ะแนวทางหลุดพ้นจากกิเลส ท, ที่ถูกต้องจริงๆควรเป็นแบบใดครับแนวทางของศีลสมาธิปัญญาฝึกศีลฝึกสมาธิฝึกปัญญาแล้วก็จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างแท้จริงและท้าวรคคำถามจากอินบอกค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์การให้อภัยคนที่ทำร้ายเรามาตลอดครั้ง เวลาเวลาแล้วเวลาเล่าจนเขาไม่เคยคิดว่าตนทําผิดตอนนี้ก็ยังพยายามให้อภัยอยู่แต่จะพยายามหลีกตัวออกห่างเพื่อไม่ให้สุขภาพจิตเสียการยอมพูดคุยทำไปโดยที่บางครั้งเหมือนการเสแสร้รงเราควรวางใจอย่างไรดีคะคือเราต้องเข้าใจว่าการให้อภัยนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้ที่เราให้อภัยแต่เป็นประโยชน์กับเราเองเพราะถ้าเราให้อภัยได้แล้วใจเราจะสงบ ใจเราจะไม่ทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราให้อภัยเขาไม่ได้ทุกครั้งเราคิดถึงเขาหรือเห็นเขาเราจะโกรธเราจะไม่สบายใจยนันเราไม่ได้ทาเพื่อเขาเราทาเพื่อเราแต่ถ้าเร า, เรารู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอย่าไปเสวนาด้วยถ้ามีโอกาสที่ไม่ต้องพบกันก็อย่าไปพบกันเจอกันก็หลีกได้ก็หลีกแต่ถ้าหลีกไม่ได้ก็ต้องใช้บทเมตตาเมตตาคือมี มีอัตยาศายไมยตรีต่อกันก็พูดคุยไปเท่าที่จำเป็นจะต้องพูดอันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่อยากพูดก็ดีกว่าไม่ดีกว่าไปพูดไม่ดีถ้าพูดดีไม่ได้ก็อย่าพูดก็แล้วกันเฉยๆไว้แต่อย่าไปมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับเขาคำถามจากคุณมิสเตอร์ค่ะเทวดาประจำตัวเรามีอยู่หรือไม่ครับถ้ามีทำไมต้องมีประจำตัวเราครับ แล้วเทวดากับมนุษย์เราบรรลุธรรมเหมือนกันหรือต่างกันยังไงยังไงครับคือเทวดาประจำตัวนี้มันไม่มีหรอกกับทุกคนอาจจะมีกับบางคนเช่นบางคนขณะที่มีชีวิตอยู่มีเพื่อนรักกันสนิทกันชอบกันมากดูแลกันเนี่ยงดูกันมาตลอดพอดีเพื่อนเขาตายไปแล้วเขาไปเป็นเทวดาแต่ใจเขาก็ยังรักเราคิดถึงเราห่วงเราอยู่ เขาก็อาจจะมาคอยดูแลเรารักษาและป้องกันให้เราได้อันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนมันเกิดขึ้นกับคนที่ได้ทําคุณงามความดีไว้กับผู้อื่นไว้มากก็จะมีคนที่เ้ารักเขาอยากจะคอยช่วยเหลือดูแลอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอันนิสง์ของการทําความดีหรือของการมีความเมตตานี้จะทําให้มีผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย งั้นถ้าอยากจะมีเทวดาคุ้มครองก็พยายามแผม่เมตตาทําความดีไปเรื่อยๆช่วยเหลือคนอื่นไปเรื่อยๆให้คนอื่นก็มีความสุขจากการกระทําของเราไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าจะมีเทวดามาคอยคุ้มครองดูแลรักษาเราคําถามจากคุณชนิกาคะ่ะถ้าโยมพูดปกปิดความจริงเพราะคิดว่าถ้าคนคนที่เรารักทราบแล้วเขาจะไม่สบายใจโยมจะบาปไหมคะถ้าปกปิด ก็บาปเคยถ้าบอกเป็นหมายเด็กไ่พูดพูดปดก็บาปแต่ถ้าไม่พูดก็ไม่บาปเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าพูดไปแล้วทําให้เขาไม่สบายใจก็อย่าพูดกันแล้วกันทําเฉยเฉยไปหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องพูดไปก็จะไม่บาปคําถามจากคุณบุญยริศค่ะหากเราหากเราบวชอยู่แล้วมีเหตุผลให้สึกแต่จิตลึกๆไม่อยากสึกเราต้องตัดสินใจสึกหรือทํำยังไงดีครับ ก็อยู่ที่เราจะทำยังไงดีก็ต้องเลือกเอาเราจะเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้จะเป็นพระแล้วก็เป็นโยมด้วยไม่ได้ดังั้นก็ต้องเลือกเอาว่าทางไหนที่เหมาะสมกับเราในตอนนั้นถ้าทางที่ถ้าทางพระยังเหมาะสมกับเราอยู่เราก็อยู่ต่อไปถ้าไม่เหมาะสมพอเราต้องไปทำกิจกรรมหรือภารกิจทางโยมบางทีเราก็ต้องลาสิกขาไปก่อน แล้วเมื่อเสร็จภารกิจแล้วเราค่อยกลับมาบวชใหม่ก็ได้คําถามจากคุณสุธามน์ค่ะคนไม่ถูกกันแล้วอยู่ด้วยกันจะทําอย่างไรถึงจะไม่ผิดใจกันคะก็ต้องเอาใจกันต้องเอาอกเอาใจกันแผ่เมตตาให้ต่อกันอย่าอย่าทะเลาะวิวาดกันอย่าขัดใจกันลองคาถามสุดท้ายกันเลย น, นะ คำถามจากคุณสยามค่ะพระอรหันตุกองค์จะต้องมีเทพเทวดามาเกี่ยวเนื่องทุกองค์หรือไม่ครับพระองคหลวงตามหาบัวก็มีเทพเทวดาเกี่ยวเนื่องกับองค์ท่านมาตั้งแต่การตัดภบชาติที่หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่แน่า็แล้วแต่แล้วแต่คนแต่ละคนได้ช่างความดีต่อกันมามากน้อยเพียงไร แล้วคนที่ได้ร่วมทำความดีกันเขาได้ไปเป็นเทวดาหรือไม่เป็นมันก็เลยแล้วแต่ไม่เหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเป็นพาาาระหลานหรือไม่เป็นพาาาระหลานคนไม่เป็นพาาาระหลานก็มีเทวดาคุ้มครองได้ถ้าเราทําความดีไว้มากๆเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ